เชื่อว่าถึงพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะเมื่อมีความถึงพร้อมด้วยพยัญชนะที่ประกาศอักนั้นให้แจมแจ้งจึงประกอบด้วยบทแห่งพยัญชนะบทเนี่ยนะครับพยัญชนะมี6บทคืออักขระปดะพยัญชนะอาการนิรุกติและก็นิเทศเกี่ยวกับเรื่องสรรับแสงทั้งหลายแหล่งนีว่ายังไงขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าอักขระขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าบทขอบเขตแค่ไหนชื่อว่าพยัญชนะแค่ไหนชื่อว่าอาการนิรุตตินิเทศ เนี่ยนะครับหล่อจนถึงการวิเคราะห์สัพท์ทั้งหลายแล่นี่นะครับนั่นเขาเรียกว่าพยัญชนะบทนะครับมีอยู่6บทนะมีอยู่หคํานี้ถ้าเราเอาแบบแบบยกเนติปรกรณ์มาท่านให้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าลักษณะการขยายของคำพีเนี่ยนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยขยายกันเองคัมภีร์ตามแนวเถรวาทเนี่ยขยายกันเองครับเพียงแต่อัตรกรถาเป็นต้นเป็นตัวเชื่อมให้เห็น เป็นตัวหมุนน่ะนะเป็นเหมือนกับเป็นตัวจัดจราจราน่ะนะคือเหมือนกับบ้านเมืองมีแล้วก็เหมือนกับมาเปิดไฟเลียวไฟแดงว่าสมควรนะถ้าพุทธพจน์บทนี้นะเชื่อมไปหาเส้นนั้นน ะ, ะพุทธพจน์ตรงนี้เชื่อมไปหาเรื่องนั้นเรื่องนั้นท่านก็เหมือนกับทําหน้าที่จัดระบบให้เรามองเห็นภาพรวมนะครับสําหรับผู้มีปัญญาน้อยๆนะแต่ทีนี้ผู้ที่ศรัทธาไม่มากนักได้ฟังนี่ก็ฮอเลยนะ ที่เดรัจฉานคาถาเนี่ยโหเพลงใหม่ๆออกมาเนี่ยินดีหูตาสว่างไปหมดเลยนะพุทธพจน์เราเนี่ยอ้เหาอะไรที่ไม่เคยฟังมาก่อนนี่มันง่วงยังบอกไม่ถูกเลยนะแต่ว่าเพลงออกมาใหม่ๆดนตรีใหม่ๆเนี่ยม่เห็ติดตามหน้าดูไอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะเมื่อไหรจะฝักไฟได้เท่านั้นเนาะก็เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าวินิจฉัยสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระผิดพลาดไป นะครับเห็นเสียงที่เกิดจากความเพ้อเจ้อโลภะเป็นต้นเป็นสาระอันนะเสียงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ราบซึ่งน้อยไปนี้ก็น่าเสียดายนะครับแล้วคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะครับชื่อว่ามีปาฏิหาริย์ต่างๆกันคือพระหมายความว่ามีปาฏิหาริย์ต่างๆอย่างคืออย่างมาก แยกเป็นอิทธิปาติหานอาเทศนาปาติหานและก็อนุสาสนีปาติหานคือในระหว่างแสดงธรรมนี่นะครับบางอย่างพระองค์แสดงอิทิปาติหานก่อนนะครับเ <c oughs> ช่นในเรื่องย ม, มะกะปาติหานเนี่ยนั้นแสดงอิทธิปาติหานก่อนแล้วก็อาเทศนาปาติหานดักใจด้วยนะครับแล้วก็อนุสาสนีปาติหานพร่ำสอนด้วยเพราะฉะนั้นในขณะพร่ำสอนเนี่ยขณะที่พระองค์กําลังสอนเนี่ย บางทีก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์บางทีก็เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์บางทีก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่สัมพันธ์สลับกันไปอย่างอย่างเหมาะสมนะครับและโดยที่ปาฏิหาริย์ทั้ง3นั้นปาฏิหาริย์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปตามอารมณ์เป็นต้นนะในชั้นรายละเอียดของปาฏิหาริย์ก็ยังขยายไปอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักจิตเนี่ยนะวาระจิตมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็มีรายละเอียดแจกแจงไปอีกนะครับ ออนุสาสนีปาติหารคำพร่ำส อ, สอนก็สอนตามสมควรสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าปร ะ, ย ะ, โ, ปร ะ, ยะโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังมาแบ่งประเภทปร ะ, ยะโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพานก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าขับเน้นที่สัจจะไหนเป็นส่วนมากโดยเฉพาะมรรคศาสตร์ก็ในสายมรรคศาสตร์ที่เรียกกลุ่มโพธิปกขยธรรมก็ยังมาจําแนกแจกแจงรายละเอียดตามสมควรแก่นัยยะนั้นๆอีกนะครับอย่างนี้ใครเรียกว่าโอ้ปาติหารต่างอย่างต่างอารมณ์มากนะครับ คําสอนของพระพุทธเจ้าขนาดนี้ใครจะรับได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้ น, น, นพระนรินบอกว่าข้าพเจ้าก็รับมาไม่นึงนะแบบนั้นเถอะนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆในบทว่าวิวิทปาติหารืยังนั้นถึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าปาฏิหารเพราะนําไปเสียซึ่งกิกเลสที่เป็นฆาศึกคือเพราะกําจัดกิเลส มีราคะเป็นต้นนะครับปาฏิหารนี่ก็คือเป็นเครื่องกําจัดกิเลสทั้งหลายแหลออกไปนั่นเองนะครับเมื่อความหมายมีอยู่ดังว่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่มีกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งจะต้องนําไปกําจัดคือในเฉพาะส่วนตัวของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปกําจัดกิเลสอะไรแล้วพระพระ อ, องค์ไม่มีกิเลสอันใดอันหนึ่งรู้แล้ว แต่สำหรับปุถุชนทั้งหลายเมื่อจิตปราศจากอุปกิเลสประกอบด้วยองค์8ประการขจัดกิเลสที่เป็นปฏิปักษได้แล้วอิทิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้จึงเป็นไปเพราะเหตุนั้นตามโวหารที่เป็นไปในที่นั้นใครๆจึงไม่สามารถกล่าวว่าปาฏิหารในที่นี้แต่เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาที่คุณทรงมีกิเลสที่มีอยู่ในเวนยสัตเป็นปฏิปักษ เอ๊ะพระพุทธเจ้านี่มีกิเลสด้วยเหรอพระองค์ไม่มีแล้วแต่ที่ชื่อว่าปาฏิหารเพราะกําจัดกิเลสในสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะกําจัดกิเลสเหล่านั้นไปเสียเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นปาติหารเนี่ยเพราะกาจัดกิเลสใช่ไหมเอ๊ะพระองค์ก็หมดกิเลสแล้วนะแต่กิเลสของสัตว์อื่นก็ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมเป็นต้นเพื่อกําจัดกิเลสแก่สัตว์อื่นนะครับนะเช่นคนมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อกําจัด โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคําสอนเหล่านั้น น, นของพระองค์ชื่อว่ามีปาฏิหารมีปาฏิหารเพราะกําจัดกิเลสเหล่านั้นนั้นได้นะครับอันนี้นัยยะหนึ่งอีกประการหนึ่งบอกว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพวกเดรัจฉีเป็นปฏิปักษ์นะครับเาเป็นครัว่าเกิดมาเพื่อเป็นปฏิปักษ์หรือฝ่ายตรงกันข้ามกับเดรัจฉีเลยว่างั้นเถอะ ที่เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะนําไปขจัดซึ่งเดรัตีเหล่านั้นเดรัตีในที่นี้หมายถึงที่ถีหกสิบสนะครับหมายถึงลทัทธิที่ถ ท, ทั้งหลายแหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นปาฏิหารก็คือเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดลทัทธิที่ถีหกสิบสนั่นเองนะครับครับก็การทในประเทศไทยเนี่ยมันมีไหมครับเดรัตีที่ไม่เป็นเดรัตีนี่นะครับหายาก คือคนที่มีความเห็นที่ต่างจากคาสอนก็ชื่อว่าชื่อว่รเดรัถีนะครับถ้าเป็นไปกับที่ที่หกสิบสองข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเดรัตถีแล้วนะครับติทยานี่แปลว่าท่าใช่ไหมครับอันที่ที่หกสิบสองนั่นเองนะครับทีนี้ไปอ่านดูในพรมชาลสูตรแล้วจะเห็นว่าโอ้โหมหาศาลเลยนะครับนะถ้าอ่านตามพรมชาลสูตรนะครับ สัตว์ที่ไม่เป็นไม่มีทิฏฐิไปตามแนวพรหมชาลสูตรคือผู้ที่มีความรู้ความแตกฉันในปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะครับก็ไม่ง่ายเลยที่จะไม่เป็นเดรธีโยมท่านหนึ่งเขาเล่าว่าผมเนี่ยพอมาอ่านพรหมชาลสูตรแล้วผมยิงรู้ว่าผมก็อยู่ในนั้นแหละ ในที่ทีหสบสองข้อใดข้อหนึ่งเขาบอกผมถือว่าความสงบอย่างยิ่งนี่แหละเป็นนิพพานนั่งแล้วมันสบายมันสงบมันโล่งนี่แหละดีที่สุดแล้วนะนั่นก็ลักษณะของเดรัจฉีอีกอย่างหนึ่งะนะหรือว่าผู้ที่เห็นว่ากามนี่แหละสุขที่สุดในโลกนี้ก็เดรัจฉีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ก็เดรัจฉีอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ท่านนั่นเองนะครับ ติทยานี่ก็คือท่าของลัทธิต่างๆทั้งหลายแหล่นะครับสมัยนี้ยิ่งเกลื่อนโลกมากเลยนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคือภาวะปกติไม่มีผู้าศาสนาในความคิดของผมนี่มองเห็นเดรธีว่าโอเป็นพวกกลุ่มนักบวชชนิดหนึ่งที่ปุ่นๆเปรียวๆถอินเดียโน่ะอันนี้หมายถึงทิฐิหกนะครับอันคาสอนของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อละคลายทิฏฐิหกงนั่นเองนะครับ อธิบายว่าเดรัีเหล่านั้นถูกพระผู้มีพระภาคเจ้านำคือขจัดด้วยอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะไม่สามารถในการประกาศทิฐิโดยนำขจัดทิฐิได้อย่างผู้ที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็มีเดรัจฉีไปเยอะนะครับที่เป็นลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งไปอยู่กับพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อกําจัดลทัทธิเหล่านั้นออกไปนะครับ บางคนที่แก้รัฐที่ไม่ได้เลยก็หวนกลับไปสู่รัฐที่เก่าของตัวเองผู้ที่แก้ได้ก็บวชอยู่กับพระ อ, องค์รอนหลังก็ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็เป็นผ้าอรหันก็มีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งปฏิมีความหมายว่าภายหลังนะครับปฏิเนี่ยเพราะเหตุนั้นที่ชื่อว่าปาติหารเพราะความหมายว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ทํากิจเสร็จแล้วพึงนาไปคือพึงให้เป็นไปในภายหลัง ในเมื่อจิตตั้งมั่นปราศจากอุปกิเลสแล้วนะครับแต่ถ้าอ่านเราเราอ่านในปุเพนิวาสานุติยานเป็นต้นนะครับเมื่อจิตอ่อนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่นะครับควรแกร่การมาไม่หวั่นไหวปราศจากอุปกิเลสอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่อนะรู้นะปุเพนิวาปุเพนิวาสนะครับสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีตครั้งที่เคยเป็นอยู่ในอดีตว่าในชาตินั้น น, นมีชื่ออย่างนั้นมีโทอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของ ปาฏิหารอย่างหนึ่งนะคือคือเมื่อทําชาญให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดระดับเจตุตชานนั้นน้อมจิตไปเพื่อละเลิกชาติได้อ น, นี้ก็เรียกว่าปาฏิหารเหมือนกันอีกประการหนึ่งเมื่ออุปกรณ์ทั้งหลายของตนถูกมรรคอันประกอบด้วยฌานที่4ี่นำไปนะคือขจัดแลว้วการนําไปในภายหลังชื่อว่าปาฏิหารคือหลังจากที่อริยมรรคเกิดแล้วนั่นเอง ปฏิหารทั้งหลายมีก็เพราะเหตุที่อิทธิวิธีอาเทศนาวิธีและอนุสาสนีวิธีอันท่านผู้ปราศจากอุปกิเลสและทำรรกิจเสร็จแล้วพึงให้เป็นไปอีกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์นะครับคือปฏิหารเหล่านั้น น, นเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงธรมนี่ก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายและเพราะเหตุที่เมื่อนำอุปกิเลสทั้งหลายของตนออกได้แล้วจึงนำอุปกิเลส ในสันดานของผู้อื่นออกในภายหลังนะครับเลยเรียกว่าปาติหารนะครับทำตัวเองให้ประสบความสําเร็จก่อนแล้วก็ช่วยแนะนำคนอื่นให้ประสบความสําเร็จในในภายหลังปาติหารนั่นเลงชื่อว่าปาติหาริยะนี่นะครับอีกประการหนึ่งแต่ละอย่างที่มีในเพราะปาติหารอันเกิดจากอิทธิวิธีอาเทศนาวิธีและอนุสาสนีวิธีท่านก็เรียกว่าปาติหาร การทรําฤทธิ์นี่ก็ชื่อว่าปาฏิหารการสดักจิตแล้วแสดงธรรมก็ชื่อว่าปาฏิหารอนุสาสนีการพร่ำสอนก็ชื่อว่าปาฏิหารนะครับอีกประการหนึ่งฌานที่สี่และมรรคก็ชื่อว่าปาฏิหารเพราะนําไปซึ่งกิเลสที่เป็นค่าศึกคุณชาติที่ชื่อว่าปาฏิหารเพราะเกิดในฌานที่สี่และในมรรคนั้น เพราะเป็นนิมิตในฌานที่สี่และในมรคนั้นบ้างเพราะนําจากฌานที่สี่และในมรคนั้นบ้าง น, นะครับทีนี้อันนี้อธิบายคําว่าปาฏิหารคือเป็นคําโยกมาเฉยๆเป็นคําแปลนะครับเป็นอยู่ในหลักการแปลนะให้รู้ว่าที่กําลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับปาฏิหารก็แปลว่าคุณชาตินะเนะี่ยคือว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณนั่นเองนะครับ ท่านอาจารย์มหาน่าจะรู้ดีนะครับในการโยกคําแปลทั้งหลายไม่ใช่เราผมเหรอผนจะถามว่าไอ้ชา้นที่สี่เนี่ยฮมันนําไปซึ่งกิเลสอันเป็นค่าศึกยังไงเนี่ยก็กิเลส ท, ที่เป็นค่าศึกต่อชา้นเป็นต้นนั่นเองนะครับเช่นความฟุ้งซ่านทั้งหลายและเนี่ยนะครับความฟุ้งซ่านความเศร้าหมองของจิตนะฮะเป็นต้นนะถ้าจะดูรายละเอียดพิสดารหน่อยก็ดูในเวรัญชกัน เวรัญชกันเนี่ยนะครับอธิบายพุทธพจน์ตรงที่ว่าเมื่อพระองค์เล่าให้เวรัญชะพรามฟังว่าเมื่อจิตของพระองค์อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นต้นเนี่ยแล้วนะครับก็น้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติได้เนี่ยนะก็ดูตรงนั้นนะครับศัพ์เหล่านั้นนั่นเองนะหรือที่ที่ไหน ท, ท, ท, ที่มีอธิบายของผู้ที่จะทำํำฌานจะทําฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยที่จะมีอภิญญาทั้งหเนี่ยนะก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นบาทเหล่านั้นๆก่ อ, อนนั่นเองนะครับ ส่วนที่อาจารย์ประโมทถามเมื่อกี้บอกว่าคุณชาติเนี่ยนะสับทั้งหลายเรื่อนี้ก็คือแปลหนุนขึ้นมาน ะ, ส, ะส่วนใหญ่นะครับให้ให้รู้ว่าเช่นนะ่ะธรรมชาติชื่อว่าโลภะอย่างเงี้ยนะก็คือแปลหนุนขึ้นมานั่นเองนะครับให้มันเข้ารู้ว่ามันสภาวะธรรมชนิดหนึ่งก็เพราะเหตุที่ตันติเทศนาและอะัฐตันติเทศนาตันติเทศนาก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับเอามว้นะ ตันติตันติเทศนาเนี่ยหมายถึงพระไตรปิฎกอัฏฐาตันติเทศนาก็คือหมายลักษณะของอัตฐกถานี่ยนะครับกล่าวคือการบรรลุปาฏิหารนั้นนะคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัฏฐาในของพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับกราวคือการบรรลุปาฏิหารนั้นหรือกล่าวคือการแทงตลอดเหตุนะตันติตันติเทศนาได้แก่เหตุนะครับอัฏฐาตันติเทศนาได้แก่ผลและการบัญญัติเหตุผลทั้งสองนั้นลึกซึ้งด้วยเหตุผล นะครับเทศนาและปฏิเวษอันบุคคลผู้มิได้สั่งสมบุญกุศลไว้ยังถึงได้ยากนะคำสอนไม่ว่าจะมาพูดถึงเหตุถึงผลถึงเทศนาหรือการปฏิบัติเนี่ยนะครับที่เข้าถึงเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทําบุญไว้ก่อนเนี่ยังถึงได้ยากนะครับทั้งเหตุทั้งผลเลยนะทั้งอัฏฐะดิฉันเช่นพุทธพจน์นี่ก็ทรงจํายากจําได้แล้วก็จะเข้าใจความหมายเนี่ยยากเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าคนไม่ได้ทําบุญมาก่อนก็จําไม่ได้ แล้วก็ถึงจําได้ก็ไม่เข้าใจเนื้อความอีกนั่นแหละครับเนี่หรือจําได้ก็ที่จะพิจารณาเห็นความหลากหลายของคําสอนเหล่านั้นก็นับว่ายากถ้าไม่ได้สะสมบุญไว้ก่อนน่นนะแล้วก็บอกว่าไอบ้บรรลุนี่ยากกว่า น, นั้นอีกที่จะบรรลุที่กัปฏิเวทนะเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้ทําให้เห็นนะออผู้ที่มีโอกาสได้เรียนได้ฟังได้ศึกษาปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลตามนี้เนี่ยเป็นคนสั่งสมบุญมาจริงๆพราะฉะนั้นท่านเปรียบว่า อันบุคคลผู้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นอย่างถึงได้ยากเช่นั้นนะครับเห็นไหมทะเลนะมีกระต่ายซึ่งมันหางกระจี๊ยเดียวนะขาสั้นนี้เดียวไปย่างลงไนดะ้ยังไงทะเลฮะและเป็นที่พึ่งอันบุคคลเหล่านั้นหาได้ไมนนค่คือคือสัตว์ที่ไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ก่อนเนี่นะครับพึ่งศาสนานี้ไม่ได้ ถ้าไม่มีบุญเก่ามานะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าซั์นี่จะไม่อยู่กับคนไม่มีสิริว่างั้นเถอะนะเคยได้ยินนันในคัมภีรทั้งหลายแหละของดีๆนี่นะครับไปให้คนไม่มีสิริปกครองไม่ได้นะครับมันต้องคนมีบุญอนะ่ะเขาจึงจะปกครองได้กุศลธรรมหรือคําสอนเหล่านี้เหมือนกันถ้าคนไม่มีบุญก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้นะถ้าพูดแบบจำนวนเราเราเห็นชัดหน่อยไม่มีบุญก็บวชอยู่ไม่ได้ว่างั้น呐นะ พอะไรบวชแล้วมันรน้อนมันรนไปหมดจนต้องสึกกันแหละสึกแล้วสบายใจไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นจึงเชื่อว่าลึกซึ้งด้วยเหตุผลเทศนาและปฏิเวทเพราะประกอบด้วยคำเภีรภาพทั้ง4เหล่านั้นนะประกอบด้วยความลึกซึ้งทั้ง4อย่างเนี่ยนะคือลึกซึ้งด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีการแสดงแล้วก็การบรรลุการตรัสรู้นะครับการบรรลุการตรัสรู้เนี่ยโห อ, อันนี้ลึกซึ้งจริงๆนะครับกว้างขวางมาก ถ้าศึกษาตามคัมภีปฏิสัมพิธามมักโดยเฉพาะอภินญญ า, านิเทศบทเดียวเนี่นะครับเช่นปฏิเวทแทงตลอดจากคูจากคูสมูไทยจากคูนิโรจากคูนิโรธักคาเมนีปฏิประธานเนี่ยนะครับมีทั้งหลายพันบทนะครับมีเป็นหลายหลายพันบทห้0 0กบทนะครับอันนี้เฉพา ะ, ะท่านแสดงมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดมีอยู่เท่านั้นเอามาอีกส่วนหนึ่งให้เห็นภาพเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นโหปฏิเวทนั้นการแทงตลอดการมลุเนี่ยมีอัฏฐาที่ลึกซึ้งมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเสียงแ ส, งสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นไปในขณะเดียวกันเป็นเสียงที่สัตว์ทั้งหลายผู้ต่างภาษากันรับฟังได้พร้อมกันตามภาษาของตนนะแขกจีนแจ๊กไทยฝรั่งไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศฟังเป็นภาษาของตัวเองดันดีเลยเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยนะ นนะย่อมเป็นไปให้เข้าใจความหมายได้นะคือถ้าทําบุญไว้เบ็ดเสร็จก็ไม่ต้องหอบเครื่องขยายเสียงไว้แล้วนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยนะครับนักศึกษาพึงเข้าใจว่าเสียงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสู่คลองแห่งโสตประสาทมากระทบโสตประสาทของสัพพสัตตามสมควรแก่ภาษาของตนของตนนะครับแล้วเข้าใจความหมายนั้นลึกซึ้งเลยนะครับ ก็คิดดูนะว่าศัพท์บางศัพทบนี่นะถ้าเรามาฟังเป็นภาษาเราเราเข้าใจทันทีเลยนะครับฟังเป็นภาษาอื่นๆนี่ก็เข้าใจยากเป็นต้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ขยายถึงลักษณะของอิติศัพท์อิติศัพท์ในอัฐ่าว่าปการะนะฮะว่าอิตินี้มีความหมายว่าปการะนี่ในที่หนึ่งนะครับที่ประสงค์ในคัมภีร์นี้แล้วก็อิติศัพท์นี้มีอัฐ่าว่านิทัศนะ์นิทัศนะนี้แปลว่าอะไรครับ อธิบายว่าอิติศัพท์ที่มีความหมายว่านิทัศนะนี่นะครับท่านพระอนรเทระเมื่อจะออกตัวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยามภูพระสูตรนี้ข้าพเจ้ามิได้ทําให้แจ้งด้วยตนเองจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้อิติอันนี้นี่นะครับคือแม้ข้าพเจ้าเองก็ได้ฟังมาอย่างนี้ท่านพระอนรแสดงไขคือขยายสูตรทั้งหมดที่จะพึงกล่าวในบัทนี้ด้วยอิติศัพท์ที่มีอัตถาว่านิทัศนะ วาข้าพเจ้ารับมาอย่างนี้นะข้าพเจ้าฟังมาอย่างนี้เนี่ยลักษณะนี้เรียกนิทัศนะแต่โดยทั่วๆไปเขานิยมแปลนิทัศนะว่าพอเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับพอเป็นนิทัศนะนะนะก็คือเป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทีนี้อัถะของอิติที่สามนะครับอิติที่สามนี่มีความหมายอาวัารณะอวัารณะโดยทั่วๆไปก็แปลว่าห้ามเนื่อความอื่นใช่ไหมครับอวัธรณะก็คือ ห้ามเนื้อความอื่นนะครับห้ามปฏิเสธอย่างอื่นไม่ใช่นะครับลักษณะนี้เราเอาวตารณ ะ, ะท่านพระนนเถระเมื่อจะแสดงพลังแห่งความทรงจําของตนนะนะความสามารถอย่างเง้ยเถอะขีดความสามารถในการทรงจําอ่ะนะสมัยนี้ก็เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงติดตัวนั่นเองนะครับขีดความสามารถของเครื่องบันทึกเสียงชั้นดีอย่างเง้ยเถะนะนะจึงสมควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาค เจ้าทรงสารเสริญอย่างนี้ว่านะยกย่องคุณของพระอนุนมาดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายบรรดาภิสูจนสาวก ข, ของเราแตถาคตผู้เป็นผูสูตรนะ น, นะเอตัคธะนั้นหนึ่งผูสูตรสองมีคติคติตัวนี้ก็เป็นชื่อของปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้มีสติอันนี้ก็เป็นชื่อของสติเป็นผู้มีทิติทิติก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันเป็นผู้ท่าอุปถากอา น, นุ์นี้เป็นยอดนะเอะตทัทคะหําแหน่งนะครับห้าตำแหน่งเลย โอ้โหรวบเยอะมากนะครับหนึ่งพระหูสูตรนะครับหอ้ในเรื่องการได้ยินได้ฟังทรงจําสุตะทรงสุตะนี่นะครับไม่มีใครเกินอีกแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมีคติเนื่องจากท่านฟังมากท่านก็เลยมีคติเยอะนะมีปัญญาเยอะนะครับแล้วมีสตินี่ครับก็คือเราสามารถทรงจําคําสอนเหล่า น, น, นั้นได้นะครับเพราะว่าลักษณะของสติก็คือร ะ, ะลึกถึงเกติที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วนั่นเองนะครับ เป็นผู้มีทิติก็คือมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจําแล้วก็อุปถาคพระพุทธเจ้านี่ก็หมายความว่ารู้ใจพระพุทธเจ้าที่สุดเหมือนกันเะว่าเวลานี้เวลานี้พระองค์ประสงค์อะไรเหมือนกันเะมันสุดยอดของอุปถากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระนนนี้มีคุณธรรมอย่างที่พระองค์สารเส ร, ริญและพระนนเนี่ยนะสมควรแก่ภาวะที่พระธรรมเสนาบดีสารเสด็จว่าอย่างนี้ว่าท่านพระนนนั้นเป็นผู้ฉลาดในอัตถะฉลาดในธรรมะ เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะฉลาดในภาษาเป็นผู้ฉลาดในบทต้นและบทปลายจึงยังความเป็นผู้ใคร่จะฟังให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าโอ้โหคนที่รับมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะรับโอวารับประรรมคาสอนสืบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนลก็ยังออกตัวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ก็แลสูตรนั้นไม่ขาดไม่เกินทั้งโดยอัฏถหรือพยัญชนะพึงเห็นว่า เป็นอย่างนี้นั่นและไม่พึงเห็นว่าเป็นอย่างอื่นนี่ลักษณะของอวตารณะนะคือรับมาตามนี้จริงๆว่า ง, งั้นเถอะไม่ได้โกหกตลบตะลางหลอกลวงนะไม่มีอย่างอื่นกว่านี้แล้วที่รับมาในเรื่องนี้รับมาอย่างนี้จริงๆมีอย่างนี้จริงๆว่า ง, งั้นเถอะนะนะคนที่มีความสามารถนะารับมาไม่ใช่โอ้โหใครรับมาก็ไม่รู้นี่นะครับหมดว่าอัญญาถาความว่าเป็นอย่างอื่นจากอาการที่ได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างอื่นจากอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคือหมายความว่าพระองค์ตอนที่พระองค์แสดงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมตอนที่รับมาก็อย่างหนึ่งแต่ว่าเนื้อหามไม่ได้ต่างกันเลยนะจากที่ตอนแสดงและก็ตอนที่รับมากล่าวตอนนี้เหอนกันก็เทสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอนุภาพเป็นอาจินไตเทสนานั้นใครๆไม่สามารถ จะเข้าใจได้ครบถ้วนทุกอย่างความนี้ท่านกล่าวไว้ดังพนรนา ม, มาชะนีคือหมายคำว่าพยัญชนะน่ารับมาเท่าเนื้นจริงๆแต่ว่าอัฏฐานี้ก็ตามสมควรแก่ความสามารถของผู้ฟังนะครับบางคนก็ฟังแล้วเข้าเป็นพระอรหันต์แต่พระนลท่านฟังแล้วก็ยังรักษาความเป็นพระโสดาบันไว้ได้นะครับเพราะว่าอินทรีย์ไม่ได้แก่กล้าแต่ว่าหลายคนก็ฟังแล้วก็แทงตลอดบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับสูตรที่คนอื่นก็ฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์นี่เยอะแยะนะครับพระนลได้ยินหมดแหละ แต่ว่าท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันเท่าเดิมทําไมอ่ะเพราะอินทรีย์ไม่ยังไม่แก่กล้านะครับบางท่านก็ไปเข้าใจว่าโอก็ท่านไม่ไปปฏิบัติไงมวัวแต่เรียนปริยตัตินะครับคําพูดเหล่านี้มีโทษทั้งนั้นนะครับผมสมมาทานว่าผมจะได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับเป็นบาปเป็นกรรมกับวาจาผมอนะ ก็เทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมียนุภาพเป็นอาจินตายเทศนานั้นใครๆไม่สามารถจะเข้าใจได้ครบทุกอย่างความนี้ท่านกล่าวไว้ดังพันานามานี้แล้วก็การที่ไม่ผิดพลาดจากอาการที่ได้ฟังมาเป็นพลังแห่งความทรงจำนะบาลีใช้คําว่าอย่างไรครับพลังแห่งความทรงจำนั้นพลังแห่งความทรงจำนะพลังแห่งการทรงเอาไว้นั่นเองนะครับ ก็ในที่นี้ไม่มีการใช้ความหมายอย่างอื่นเพราะความหมายทั้งสองมีวิสัยเป็นอย่างเดียวกันเพราะเมื่อว่าโดยประการนอกนี้พระเถระก็ต้องเป็นผู้สามารถหรือไม่สามารถในการรับเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวๆนี่นะครับเพื่อให้เห็นว่า ท่านนท์เนี่ยท่านทำหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์แล้วก็วเป็นผู้มีความสามารถนะรับมาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยเลยท่านรับมาดีแล้วนะครับระดับพานน์ผู้สังสมปาฏิหารหรือว่าตั้งอภินิหารไว้ตั้งแสนมหากรัปนะครับเป็นผู้ที่ทําบุญมามหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปลังเลสงสัยในถ้อยคําของท่านเป็นต้นเหล่านั้นเลยอันนี้ขยายสั์เดียวนะครับคืออิติทั้ง3าประการ นะถึง3ความหมายความหมายแรกว่าอาจว่าประการะมีประการต่างๆอัฐาที่2ก็คือนิทัศนะอัถาที่สก็คืออวธารณะห้ามเนความอื่นนั่นเองนะคบทีนี้ส่วนเมศั์นะครับเมสัพ์นั้นก็มี 3, 3อย่างคือถ้าผู้เรียนบาลีมาก็คือใช้ในอัถว่าตติยาวิพัฒย์อย่างหนึ่งจตุทีวิพัฒย์อย่างหนึ่งแล้วก็ฉัดทีวิพัฒ์อย่างหนึ่งนะครับ ที่เป็นตติยาวิพัฒน์ที่ว่ามายานะครับมายานี้โดยมากก็แปลว่าอันใช่ไหมครับอันเราใช่ไหมครับหรือถ้าจตุทีวิพัฒน์ไม่หังก็แก่เรานะครับแก่เราถ้ามะมะก็ของเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เกี่ยวกับเรื่องของวิพัฒน์ทั้งหลายแหละ น, ะนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องการประกอบศัพท์การแปลเชื่อมทั้งหลายแหละนะครับสําหรับผู้ที่จะเป็นมหาเปลี่ยนนะครับผมก็เรียนเอาบุญเอานะครับส่วนสุตศัพท์ ก็มี น, นะเท่าที่ท่านเรียบเรียงมาให้เห็นก็ประมาณสักเจความหมายนะครับก็คืออย่างเช่นอัตถาว่าไปอัตถาว่าฟังอัตถาว่าเปียกชุ่มอัตถาว่าสังสมอัตถาว่าการตามประกอบหรือการบําเพ็ญหรืออัตถาว่ารู้ได้ทางโสถะโสตะหรือว่าโสตะทวารานุสาริวิญญาตะรู้ได้ตามกระแสะแห่งโสตะทวาร น, นะครับ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของศัพท์นั่นเองนะครับว่าศัพท์เหล่านั้นนีนนน่มีความหมายเท่าไหร่เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดในคาําอธิบายเกี่ยวกับคําว่าเอวังเมสตังเป็นต้นนั้นก็คงจะต้องเป็นในวันต่อไปนะครับนี่ก็คงสมควรแก่เวลา